Mm ¶¶ -hmm. ชีวิตประกอบไปด้วยกายกับใจอันนี้เป็นความจริงที่รู้กันอยู่นะแต่ถ้ามองให้ดีเนี่ยกายกับใจนี่ก็น่าเป็นส่วนผสมที่แปลกเป็นการรวมกันที่น่าพิศวงเหมือนกันที่ว่าแปลกก็เพราะว่ามันมีคุณสมบัติตรงข้ามกันนะกายใจเนี่ยเหมือนกับก้อนหินกับอากาศเหมือนกับไฟกับน้ำเนี่ยก็ไม่น่าจะรวมกันได้เป็นชีวิตนะ อันที่ว่าคุณสมบัติตกลงข้ามกันก็อย่างเช่นว่ากายเนี่ยเป็นตุ้นเป็นก้อนมีน้ําหนักช่างตวงวัดได้ส่วนใจนี่มันไม่มีน้ําหนักนะไม่กินพื้นที่จะพยายามจะช่างตวงวัดอย่างไรก็ทําไม่ได้อย่างไฟฟ้านี่ก็ยังวัดได้ความร้อนนี่ก็ยังวัดได้วัดเป็นอุณหภูมิ เสียงนี่ก็ยังวัดได้นะถึงแม้ว่าจะมองไม่เห็นแต่ว่าใจเนี่ยทํายังไงก็ช่างตัวงวัดไม่ได้ร่างกายเนี่ยคือยื่งขยับเนี่ยก็ไปทีละก้าวทีละก้าวไปได้ช้าแม้จะวิ่งแล้วก็เครื่องถือวไม่เร็วนะแต่ใจนี่มันสามารถจะเดินทางหรือแล่นไปได้อย่างรวดเร็วมากแค่กระพริบตาก็อาจจะ ใจก็นึกไปถึงสุดขอบฟ้านะไปถึงก้นเบื้องของมหาสมุทรได้นะสาเร็จได้ด้วยใจนะระยะเวลาอระิยะทางนี้ไม่ใช่ปัญหาของใจนะมันจะนึกไปไกลแค่ไหนก็ได้นะส่วนกายนี่ก็ต้องไปได้ทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวจนกระทั่งเมื่อเรามีรถยน์เรามีเครื่องบินนั่นแหละนะถึงพากายไปได้ไกลๆเร็วๆนะ กายเนี่ยนะมันชอบอยู่นิ่งๆนะถ้าไม่ทำอะไรเลยได้เนี่ยชอบมากเลยถ้าไม่ต้องไปทำมาหากินอะไรเนะี่ยคนก็อยากจะนั่งเล่นนอนเล่นอยู่เฉยๆจิ่งสมัยนี้มันก็มีสิ่งที่จะอำนวยให้กายทำอย่างนั้นได้จะกินอะไรก็ไม่ต้องเดินไปที่ร้านอย่าว่าแต่ทำเลยนะไม่ต้องทำหรอกหรือแม้แต่จะเดินไปที่ร้านก็ไม่ต้องเดินแล้ว เดีย๋ยวนี้ก็มี Delivery เนะเอเามาส่นนะอยู่กับบ้านนั่งอยู่บนโต๊ะอี้ก็มีกินมีคนเอาอาหารมาส่งแต่ใจนี่นะมันไม่ชอบอยู่นิ่งนะอยู่นิ่งไม่เป็นนะนะเรียกว่าต้องวิ่งไปต้องท่องเที่ยวไปโน่นไปนี่สารพัดแม้จะพยายามทำให้ใจอยู่นิ่งๆมันก็ไม่ยอม ก, ก็เลยเปรียบใจมันก็ลิงนะ อยู่นิ่งไม่เป็นแต่ที่จริงลิงก็อยู่นิ่งเป็นนะอย่างที่เคยเล่านะว่าถ้าจะจ้องมองดูอะไรดูคนทำอะไรเก็บอาหารที่ไหนซ่อนคองมกินไว้อย่างไรมันก็จะจ้องดูอย่างนิ่งๆได้แต่ว่าใจนี่มันจะนิ่งอย่างนั้นก็ยากนะก็เรียกว่าท่องเที่ยวหรือว่าเดินทางไปสารพัด ก, กายเนี่ยเวลาเจอ ของร้อนของแหลมเนี่ยเช่นมือเนี่ยนะไปถูกปเปลวไฟไปถูกน้ําร้อนรวกั น, น้ําร้อนที่เดือดเดือดหรือว่าน้ําแหลมเนี่ยพอสัมผัสปุ๊บนี่มันรีบดึงกายจะรีบดึงนิ้วออกมาเลยรีบถอนมือออกมาเลยเรียกว่าชักมือออกมาทันทีไม่ต้องสั่งมีมีฝุ่นมา ถูกต้องที่ในตาเราเนี่ยแค่ขนตาเราเนี่ยสัมผัสกับฝุ่นหรือว่าของแปากปลอมเนี่ยมันรีบกับพลิบเลยนะหรือไม่ก็หลับตาเพื่อป้องกันนั่นจะรีบทารีบจะถอยรีบจะหนีนะออกจากสิ่งที่เป็นภัยคุกคามแต่ว่าใจนี่ตรงงันข้ามนะเวลาถูกของร้อนเช่น ความโกรธหรือว่าความเกลียดซึ่งเหมือนกับของแหลมเนะี่ยกลีดใจนะีนะ่เวลาเกลียดใครนี่ ม, นมันก็ว่าใจนี่มีแผลนะถูกกรีดไปด้วยความเกลียดถูกเผาไปด้วยความร้อนแทนที่มันจะรีบหนีออกมาจากสิ่งนั้นนะจากอารมณ์นะมันกลับแชนะ่ใจนี่กลับแช่กลับยิ่งวิ่งเข้าหาด้วยซ้ํา เวลาโกรธใทยเนี่ยก็จะนึกถึงสิ่งหรือคนที่เราโกรธหรือนึกถึงการกระทำของเขานึกแล้วนึกอีกไม่ยอมที่จะเฮินห่างเลยจนบางทีกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ว่าไปแล้วเนี่ยกายเราเนี่ยฉลาดนะฉลาดกว่าใจอะไรที่เป็นภยัยคุกคามเนี่ยมันจะรีบหนีจะรีบถอยห่าง ใจเนี่ยในกับวิ่งเข้าหายิ่งโกรธยิ่งเกลียดยิ่งกังวลเรื่องอะไรเนี่ยก็ยิ่งนะไปหมกมุ่นคุณคิดอยู่กับสิ่งนั้นนะใจเนี่ยมันไม่ฉลาดเลยนะเพราะว่าทําอย่างนั้นเนี่ยมันก็ยิ่งทุกข์กายเนี่ยอย่างที่บอกไว้แล้วนะว่ามันชอบอยู่นิ่งๆนะจะให้มันทํางานอะไรมันก็ไม่อยากทํายิ่งจะให้ไปแบกไปแบกโน่นแบกนี่ถ้าเลี่ยงได้เป็นดี ถา้าต้องแบกนะก็จะรีบปล่อยรีบวางให้ไปแบกขินเนี่ยนะแบกปุ๊บนี่ถ้าหนักมากๆนะกายมันปล่อยเองเลยนะไม่ต้องสั่งถ้ามันทนไม่ไหวมันปล่อยเองเลยแต่ใจเนี่ยแปลกนะมันชอบแบกนะชอบแบกจะให้ใจเนี่ยปล่อยให้ใจเนี่ยวางเนี่ยมันยากถ้าหนักที่หน้าจะง่ายนะก็แค่วางลงเทนัแค่ปล่อยนะ เวลาเราแบกหินแบกโต๊ะแบกเก้าอี้เนี่ยอย่างที่บอกนะั้นไม่ต้องสั่งนะไม่ต้องมีใครสั่งท่านทนไม่ไหวเราเราก็จะปล่อยและการปล่อยนี้ก็ง่ายมากนะ แ, แค่ชักมือออกเท่านั้นแหละนะหรือแค่วางมันลงเนี่ยนะมันก็เบาแล้วสบายแต่ใจเนี่ยชอบแบกนะักทั้งที่ทุกข์ก็ยังแบกจะให้ปล่อยจะให้วางก็กลายเป็นเรื่องยาก แต่พ่อย่างนี้แหละเราต้องฝึกการปล่อยการวางใจเนี่ยต้องฝึกให้ปล่อยให้วางให้เป็นส่วนกายเนี่ยต้องฝึกให้ทํางานนะฝึกให้ทํางานเพราะว่าถ้าเอาแต่นั่งนั่งนอนนอนเนี่ยกินอย่างเดียวร่างกายก็แย่นะเกิดโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวนี้มันมีโรคนะที่เกิดจากชีวิตที่สะดวกสบายชีวิตที่นั่งๆ่งนอ น, น, อนๆเอาแต่กิน กับนอนเช่นโรคอ้วนโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันไอ้พวกนี้เนี่ยเกิดจากการที่เราไม่บริหารกายสมัยนี้ก็ต้องมีการเขี่ยวเข็นกันนะให้ออกกำลังกายกันเยอะๆมีคนบอกว่าเนี่ยเขาศึกษาวิจัยมาแล้วพบว่าสุขภาพจะดีได้ต้องเดินวันละหมืนเก้าเดินวันละหมื่นเก้าก็เท่ากับเดินไปกลับนะ สุกโตถ้ามาไฟนะหลวงพรอคมเขียนตั้งเคยเดินแล้วทัางก็นับก้าวด้วยก็ประมาณห้าพันกว่าก้าวเดินไปกลับนะก็พอดี1มื 10, ่นหนึ่งพันก้าวถ้าทำอย่างเนี้ยนะสุขภาพจะดีนะต้องให้กายได้ออกกำลังกายต้องให้กายได้เดินส่วนใจเนี่ยนะวิธีการฝึกใจมันตรงข้ามนะือฝึกใจให้มันนิ่งฝึกใจให้นิ่ง การฝึกใจคือการฝึกให้นิ่งนะแทนที่มันจะเอาแต่ท่องเที่ยวเพ่นพ่านแว บ, บไปโน่นนะแวบบไปนี่ซึ่งเอาแต่นำความทุกข์มาให้เพราะเวลาไปโน่นไปนี่เนี่ยมันไม่ได้ไปเปล่าๆแลมันเอาความทุกข์กลับมาที่ใจด้วยเอาความทุกข์กลับมาให้เราด้วยแต่ถ้าเราฝึกใจให้นิ่งนะเราจะพบความสงบ ยิ่งใจเนี่ยนิ่งนิ่งแบบตื่นนะไม่ใช่นิ่งแบบหลับนะนิ่งแบบรู้ตัวเนี่ยคือจิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อจิตอยู่กับเนื้อกับตัวไม่เพ่นพ้าดไปไหนเนี่ยจิตจะมีกำลังไอ้ที่เหนื่อยล้า ก, กันโดยเพพาะคนในเมืองเนี่ยทั้งที่ตัวเนี่ยนั่งอยู่ในห้องแอร์ไม่ได้เดินไปไหนเลยนะเอาแต่นั่งวันวันว น, นึงก็นั่งสิบกว่าชั่วโมงทั้งนั่งกินข้าวนั่งรถไปทางาน นั่งโต๊ะขณะที่ทำงานเนี่ยไม่ได้ออกเรียกออกแรงไม่ได้เจอภยัยผู้ค้าอะไรแต่ว่าเสร็จแล้วก็ลา้าบางทีเพลียจกนกระทั่งไม่มีเรื่อไม่มีแรงอันนี้เพราะอะเพราะใจนะใจมันไม่ได้พักใจมันทำงานตลอดเวลาแต่ไม่ใช่ทำงานอย่างที่ควรจะทำนะคนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาทำงานเนี่ยแม้ว่าอยู่นั่งเนี่ย แต่ว่าใจมันไปทำอย่างอื่นไม่ใช่ทำงานที่ควรจะทำหรือไม่ได้ทำงานที่เจ้านายสั่งให้ทำท่าประมาณเนี่ย80เปอร์เซ็นนะของเวลาทำงานคนส่วนใหญ่เนี่ยใจมันลอยไปอย่างอื่นไม่ได้ทำงานที่เขาจ้างมาให้ทำเนี่ยหรือแม้แต่ไม่ได้ทำงานอ่านหนังสือก็ตามเรียนหนังสือก็ได้ใจลอยไปสัก80เปอร์เซ็ของเวลาหนึ่งชั่วโมง ไปโน่นไปนี่แล้วก็ไม่ได้ไปเปล่าเนะ่ยเอาความทุกข์มาให้กับตัวเราดัางใจนี่จะต้องฝึกนะให้รู้จักนิ่งแต่ไม่ใช่นิ่งแบบหลับนิ่งแบบหลงนิ่งแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะแต่นิ่งแบบตื่นตื่นรู้อยู่เสมอก็คือฝึกให้มีสติฝึกให้จิตอยู่กับเนื้อกระตัวส่วนร่างกายเนะี่ยต้องฝึกต้องเขี้ยวเข็นให้ออกไปนะ ออกไปวิ่งออกไปเดินนะออกไปยกน้าหนักนะออกไปทำงานนะทำสวนหรือว่าขุดดินอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะถ้าเรารักรักกายรักใจเนี่ยนะต้องฝึกให้กายทำงานอย่างพระเราเนี่ยก็มีบินทบาทเป็นอย่างน้อยยิ่งมีบินทบาทไกลๆเนี่ยก็ยิ่งฝึกกายให้เข้มแข็งส่วนใจเนี่ยอยู่นิ่ง นใจอยู่นิ่งๆไม่ต้องวิ่งเพ่นาพาไปไหนใจก็อยู่กับกายนี่แหละซึ่งถ้าเราทำํำอย่างนี้นะจิตใจเราจะมีพลังเราจะมีความสุ ข, ขก็เลยมีสุขภาวะมีสุขภาพดีแล้วการฝึกยันของใจนะฝึกฝึกการปล่อยการวางขณะที่กายเนี่ยนะเราต้องฝึกให้ทํางานให้แบ่โน่นแบ่นี่บ้างเหรืยอแยม้ก็สะพายบาตรนะถ้าเป็นพระ ส่วนใจเนี่ยนะั่นต้องฝึกให้วางอย่างที่บอกไว้แล้วว่าการวางนี่ไ่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะแต่พอเราบอกใครให้ปล่อยวางเนี่ยเขาจะพูดเลยว่าเนี่ยพูดง่ายจะททำยากปล่อยวางเรื่องอะไรนะปล่อยวางเรื่องอดีตนะอดีตที่ผ่านไปแล้วไม่ว่ามันจะเป็นเหตุการณ์ที่เจ็บปวดหรือให้ความสุขกับเราก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ปล่อยไม่วางนะใจเราก็จะทุกข์นะ นึกถึงเหตุการณ์ที่ไม่ดีก็รู้สึกเจ็บปวดนึกถึงความสูญเสียก็เศร้านึกถึงของที่หายก็เสียดายนึกถึงคนที่ก็ททำร้ายเราก็โกรธหรือแม้แต่นึกถึงเหตุการณ์ที่น่าพึงพอใจเคยนึกถึงเหตุการณ์นึกถึงความสุขที่เคย อ, อยู่กับคนรัก อยู่กับพ่อแม่นะได้ไปเที่ยวโนทน์เที่ยวนี้พอนึกถึงบางทีก็เป็นทุกข์นะเพราะว่าปัจจุบันนะไม่ได้อยู่กับเขาแล้วไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวอย่างที่เคยมันมีความอาลัยความอาลัยอาวรณ์นี่ก็ทุกข์เหมือนกันนะแม้ว่ามันจะมีความสุขอยู่บ้างแต่มันก็เติไปด้วยทุกข์บางทีอาลัยอาวรณ์ตนไม่อยากจะทางานจนกรทั่งยอมรับปัจจุบันไม่ได้ ทุกวันนี้ไม่มีเขาแล้วทุกวันนี้ได้เลิกกันแล้วทุกวันนี้ไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวอย่างนั้นแล้วมันก็เกิดความขัดเคืองใจไม่ยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็ทุกข์อีกแบบหนึ่งนะปล่อยวางอนาคตสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะไม่ว่าจะเป็นงานการที่รอเราอยู่ข้างหน้าหรือว่างานที่ยังค้างค า, าอยู่ต้องไปหาหมอไปรับผลนะหมอให้ไปรับผลการตรวจ อาทิตย์หน้ายัไม่รู้เลยว่าผลเป็นยังไงก็รุ่มใจล้วหรือวิตกกังวลล้วหรือบางทีก็นึกถึงวันที่ลูกไปสอบนะสอบเข้ามาาหาวิทยาลัยสอบเข้าโรงเรียนบางทีไม่ใช่เรียนมัธยมนะเเรียนอนุบาลเดี๋ยวนี้เด็กเล็กๆนี่ทําไมสอบเข้าโรงเรียนอนุบาลวันสอบนั่นอาทิตย์หน้าสองอาทิตย์หน้าแต่ว่า วิตกกังวลละ ว, วิตกกังวลเพราะอะไรเพราะไปคิดถึงมันเพราะไปแบกมันเอาไว้ไปแบกอนาคตน่ะคนเราทุกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าทุกใจเนี่ยนะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นของความทุกขเนี่ยหรือแปดสิบเก้าสิบเปอร์ซตของคนทั้งโลกหรือจะร้อยปอของคนทั้งโลกก็คือทุกเพราะวางอดีตวางอนาคตไม่ได้ไปหมกมุ่นคุค้นคิดอยู่กับมันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าบุคคลไม่ควรตาคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไร ละไม่พึงพวัววงถึงสิ่งที่เอามาไม่ถึงถ้าเราไม่ปล่อยไม่วางเราก็ทุกข์นะอยู่ตรงเนี้ยอยู่สบายๆอย่างมากก็แค่เมื่อยนะแต่พอนึกถึงอดีตเข้านึกถึงอนาคตเนี่ยก็เกิดความเศร้าเกิดความโกรธเกิดความวิตกกังวลที่ว่าเกิดอาการเดือดเนื้อร้อนใจนะซึ่งเกิดอากการปรุงแต่งนะ อุทธัจจะเนี่ยคือความฟุ้งซ่านกุกุก จ, จ่คือความเดือดเนื้อร้อนใจคือความยึดตอกังวลเวลาเจริญสติเวลาทําสมาธิหรือเวลาใช้ชีิตามปกติเส้นกินข้าวเนี่ยก็นึกถึงพวกนี้ยให้การฝึกใจให้ปล่อยให้วา เ, เรื่องสําคัญนะเพราะว่ามันเป็นที่มางความทุกข์เนี่ยความทุกข์ทั้งมวลเนี่ยในใจเราเกิดจากความยึดติดยึดติดสิ่งที่ผ่านไปแล้วนึก ติดถึงนาโคเทีย่ยมมาไม่ถึงหรือว่าปรุงแต่งเรื่องอะไรแล้วก็ไปยึดติดถึงสิ่งนั้นอยู่ในกุติคนเดียวกลางค่ำกลางคืนก็กลัวและผาวาแล้วเพราะอะไรเพราะนึกไปต่างๆนาน า, นาสารพัดนึกถึงสัตว์ร้ายงูนึกถึงคนที่อาจจะมาทําร้ายหรือจะนึกถึงผีทุกอย่าง ทั้งในกุติและเลาะนอกกุติก็ปกตินะแต่พอใจมันปรุงแต่งเข้าไปตัวก็เย็นขนก็ลุกนะหัวใจก็เต้นเหนวมันไม่มีอะไรเลยนะในกุตินอกกุตินะแต่ความกลัวที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรเกิดจากความคิดความคิดอะไรปรุงแต่งถ้าคิดปรุงแต่งประเดียวประด้าก็ไม่เป็นอะไรนะมันเหมือนกับลมที่พัดผ่านไปแต่พอคิดแล้วเนี่งก็ยึดเอาไว้ใจมันเหนียวมันยึดเอาไว้ แล้วก็กลัวกลัวสิ่งที่จิตปรุงแต่งเองไ อ, กไองนะ้กายเรานี่ไม่ทําอย่างนี้นะกายเรานี่ไม่ทําแต่ว่าใจเนี่ยมันทําได้อันนี้เราเป็นความยึดติดนะยึดติดสิ่งที่ปรุงแต่งมันไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตนะแต่มันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเช่นอาจจะมีเสียงลมพัดอาจจะมีเสียงใบไม้ไหวอาจจะมีเสียงดังกรอบกราดอยู่รอบตุติ ก็ไปปรุงแต่งว่าเป็นเสียงคนนะทั้งที่อาจจะเป็นเสียงหนูในะที่มันเดินนะเพ่นพ่านนะในป่าเนี่ยเสียงมันดังฟังชัดนะอยู่ไกลก็เหมือนกับอยู่ใกล้เสียงสัตว์เล็กๆก็นึกว่าเป็นเสียงสัตว์ใหญ่นะเสียงหนีบางทีนึกเอาเสียงหมีนะเดินมาสมัยก่อนเนี่ยมันสามสิกว่าปีที่แล้วเนี่ยสุกโตนี่มันป่านี่ทึบนะแล้วก็คนไม่ค่อยมีนะ หลวงพ่อท่านหนึ่งเนียได้ยินเสียงมันกับสัตว์เนี่ยมันขึ้นมาที่บันไดแต่ก็โดนเสียงหมีนะเพราะเสียงดังฟังชัดนะหนอนไม่หลับเลยวันรุ่งขึ้นถึงรั่วโ อ, อมันไม่ใช่เสียงหมีมัอมันคือเสียงห น, หนูนะหนูนะการแบงทําให้ทุกข์นะการยึดทําให้ทุกข์หลวงพ่อชาท่านพูดไว้สรุปไว้ดีมากท่านบอกว่าทุกข์มีเพราะยึดทุกข์ยึดเพราะอยาก ทุกมากเ พ, พราะปล่อยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเ พ, พราะปล่อยทุกหลุดเ พ, พราะปล่อยนะไม่ใช่ปล่อยที่ไหนปล่อยที่ใจเราแต่ทําไมการปล่อยเป็นเรื่องยาก ท, ทําไมถึงแบกเอาไว้ก็เพราะความไม่รู้เพราะความหลงไม่รู้คือไม่รู้ตัวนะไม่รู้ตัวมันก็เลยแบกเอาไว้มันก็เลยยึดเอาไว้ทั้งที่ยึดแล้วเป็นทุกแบกแล้วเนี่ย ก็เป็นทุกข์นึกถึงคนที่ทําร้ายเราเราก็โกรธความโกรธก็เป็นทุกข์นึกถึงของที่หายก็เสียดายเสียใจก็เป็นทุกข์แต่ก็ยังนึกก็ยังคิดก็ยังวางไม่ได้ยังแบกเอาไว้เพราะไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวว่าโกรธไม่รู้ตัวว่าเสียใจไม่รู้ตัวว่าเศร้ามันแปลกที่เกิดขึ้นที่ใจเราแต่ไม่รู้เพราะตอนที่เกิดอารมณ์เนี่ยใจมันจมเข้าไปอยู่ในอารมณ์นั้น จะรู้ได้เนี่ยต้องออกมาจากอารมณ์มันถึงจะเห็นเห็นแล้วก็จะรู้ถ้าเขาอยู่ในอารมณ์เนี่ยมันก็มันก็มืดบอดนะคนเราจะรู้จักอะไรเนี่ยก็ต้องออกมาจากสิ่งนั้นเห็นสิ่งนั้นเราจะรู้จักศาลานี้ได้เนี่ยเราต้องออกมาจากศาลานะมาว่าเดินทางๆซักไหนก็จะเห็นรูปพระพันธ์สันฐานเขาโครงรูปร่างนะของศาลานี้ ถ้าอยู่ในนี้เนี่ยก็จะเห็นไม่ชัดนะจนกว่าจะออกจากศาราและเห็นอารมณ์ก็เป็นกันนะเราจะรู้ตัวก็แต่เมื่อเราออกจากอารมณ์นั้นคือจิตเนีออกจากอารมณ์ออกมาแล้วก็เห็นมันพอเห็นมันก็รู้อ้อนะเกิดความรู้ตัวขึ้นมาจะแปลงนะักคนเราเนี่ยทั้งที่โกรธคนเราเนี่ยโกรธแล้วโกรธอีกโกรธแล้วโกรธอีกเนี่ยก็ไม่เคยรู้ทันความโกรธไม่เคยรู้ตัวเลย ไม่เหมือนกับร่างกายคนเราเนร่างกายเราเนี่ยถ้ามันเจอความร้อนของไฟนะมันจําได้เลย <ug> เด็กเนี่ยใหม่ๆไม่รู้จักไฟนะพอมือไปถูกไฟหรือไปถูกน้ําร้อนเนี่ยเขารู <ug> ้เลยนะเขาจําได้ต่อไปเนี่ยนะเจาะน้ําร้อนมาว่างใกล้ๆหรือว่าให้เขาจับเปลวไฟเนี่ยเขาไม่ทํานะเขารู้ กายมันจำได้ว่าไอ้นี่ยมันเจ็บไอ้นี่มันป่วยนี่มันทุกข์ทำให้ปวดทำให้ทุกข์เวลามีเชื้อเข้ามาในร่างกายเนี่ยใหม่ๆเนี่ยพวงพุ้ม ก, กัน ร, ร่างกายเราจำไม่ได้นะเพราะไม่เคยเจอมันก็ป่วยหวัดก็ดีนะไข้เลือดออกก็ดีเนี่ยไข้ทรพิษนี่ก็เหมือนกันอะฮิวา แต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าร่างกายเราเจออีกครั้งนะเจอเชื้อโรคเดินอีกครั้งนะมันจําได้มันไม่ยอมแล้วไข้ทรพลปิน้นจริงเป็นได้ครั้งเดียวเป็นครั้งเดียวก็ถ้าไม่ตายก็จะไม่เป็นอีกเพราะว่าภูมิกานร่างกายมันจําได้ไอ้ไข้ตัวนี้อันตรายพอเข้ามาในร่างกายจัดการเลยหรือวัดก็เหมือนกันนะคนที่ไม่เคยเป็นหวัดเนี่ยถ้าเป็นทีเดียวอาจจะตายได้นะแต่ว่าสมัยนี้ก็มีภูมิคุ้ม ก, กันกันบ้างพอเป็นเขาก็เพียงแค่ป่วย นอนต้องล้มหมอนนอนเสือ่อย่างมากไม่ถึงตายแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าเจอเชื้อตัวเดิมเข้าใหมา่นะไม่เป็นไรนะแต่บางหวัดบางตัวเนี่ยถ้าเป็นหวัดใหม่ๆ ส, สิ่งนี้เข้ามาในร่างกายแล้วก็ตายทันทีเลยนะเช่นหวัดดกเนี่ยหรือว่าซาเนี่ยนะหรือว่าหวัดที่มันเขากําลังกลัวกันนะเป็นหวัดตัวใหม่แต่ถ้าไม่ตายเนี่ยนะก็จะมีภูมิปุ้งกัน ร่างกายจะจำได้เจออีกครั้งนึ่เนี่ยนะไม่ปล่อยไม่หลงไม่พลาดแล้วก็ไปจัดการแต่ความโกรธเนี่ยมันเกิดกับใจเนี่ยไม่รู้กี่ครั้งแล้วในชีวิตเรามาจนถึงป่านเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนครั้งแล้วทำไมใจมันยังจาไม่ได้ความโกรธมาทีไรเสร็จความโกรธทุกทีความเศร้ามาทีารเสร็จความเศร้าทุกทีที่จริงใจเราก็มีความสามารถในการจดจานะอารมณ์นะ ตัวที่จดจำอารมณ์เนี่ยคือสติเนี่ยสตินป็นคำที่จดจำอารมณ์จดจำแต่เราไม่ค่อยได้ใช้งานไม่ค่อยได้ฝึกสติเท่าไหร่แต่ถ้าเราฝึกสติบ่อยๆอย่างที่ทำในที่นี้เนี่ยฝึกให้มารู้กายรู้ใจอยู่เนืองเนืองกายทำอะไรใจก็รู้รู้้ดยสติเวลาเกิดอารมณ์อะไรขึ้นที่ใจใจก็รู้ทันรู้ทันได้ด้วยสติ แต่ถ้าเราฝึกใจให้รู้ทัน้ฝึกสติให้รู้ทันให้เราลึกได้นะเมื่ออารมณ์ใดๆเกิดขึ้นเนี่ยใจก็จะไม่เพ่งพรำต่ออารมณ์นั้นมีความมึมีเกิดขึ้นไว้ความไม่พอใจเกิดขึ้นสติก็บอกใจว่าอ่ามันมาแล้วนะสติที่เป็นเหมือนสัญญาณเตือนเหมือนกับในตึกก็จะมีสัญญาณบอกบอกเหตุสัญญาณที่คอยเตือนภัยเวลามี ไปมาแค่มีเปลวไฟเล็กๆหรือแค่มีควันเท่านั้นแหละนะสัญญาณเตือนภัยก็จะบอกสติมันทําหน้าที่นั่นแหละมันเหมือนก็นเตือนมันจําได้นะไอความ ม, มีความไม่พอใจเพียงแค่ไม่พอใจไม่ชอบเท่านั้นแหละนะถ้าสติไวเนี่ยเราก็จะรู้เลยแล้วก็จะไม่ปล่อยให้ความไม่พอใจความไม่ชอบนะั้นลุกลามกลายเป็นความหงุดหงิดกลายเป็นความโกรธกลายเป็นความพยาบาท ที่เราโกรธเราเกลียดกันเป็นบ้าเป็นหลังเนี่ยก็เพราะว่าปล่อยให้มันลุกลามโดยความเศร้าเล่นงานจนหมดเนื้อหมดตัวกลายเป็นคนโรคซึมเศร้าหรือกลายเป็นคลุ้มคลั่งฆ่าตัวตายนีย่ก็เพราะว่าไม่มีสติไวพอที่จะรู้ทันปล่อยให้มันลุกลามเพราะฉะนั้นถ้าเรารักรักตัวเองรักกายรักใจเนี่ต้องฝึกนะร่างกายก็ฝึกออกกำลังกาย ส่วนใจนี่ก็ฝึกให้มันอยู่นิ่งๆให้มันรู้เนรู้ตัวบ้างอยู่กันเนื้อกับตัวฝึกให้ใจรู้จักปล่อยรู้จักวางใจจะปล่อยจะวางได้ต้องรู้ทันนะรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะกับใจไม่ว่าบวกหรือลบไม่ว่ากุศลหรืออกุศลสุขก็รู้นะไม่ใช่รู้แต่ทุกเท่านั้นเวลาสุขก็รู้แล้วก็รู้รู้แล้วก็ไม่ปล่อยให้มันหลงจน ลืมตัวนะกลายเป็นประมาทดีใจลิงโลดนี่ก็ไม่ถูกนะเสียใจจกนกระทั่งไม่รู้เนื้อรู้ตัวนี่ก็ไม่ถูกสุขก็รู้นะทุ ก, ก็รู้นะถ้าคิดแต่จะไปรู้สุขไมไปรู้ทุกแต่สุขไม่รู้เนี่ยมันก็ยากนะเวลาคนก็ชมเราเราดีใจไม่รู้เนื้อรู้ตัวถ้าเจอเข้อตาหนิติเทียน หรือว่าต่อว่าด่าทอเนี่ยก็ยากที่จะทำใจเป็นปกติแล้วก็จะกลัวก็จะเสียใจถ้าไม่อยากทุกข์ไม่อยากเสียใจเพราะคำต่อว่าด่าทอก็อย่าไปหลงดีใจเวลาเ้าชมเรานะให้รู้ทันแล้วก็วางมางันลงนะฝึกใจอย่างเงี้นะก็จะปลอดภัยจากความทุกข์ได้ mm hmm. อะละชาญก็เพุระเถานี้